ละหุ ก, กาบัตอาบัตเบาลทัทธิความเชื่อถือความรู้และประเพณีที่ได้รับสืบต่อกันมาลีลาท่าทางอันงามการเยื้องกลายหน่วยนาดลูกทวินวัตถุมีรูป ก, กลมหรือแบนมีรูตรงกลาง ที่ข้างมีรอยเดือรอบสำหรับผูกติดไว้กับสายรัดประคฏเอวข้างหนึ่งแล้วรูนั้นมีไว้สำหรับสอดสายรัดประคบอีกข้างหนึ่งในเวลาคาดเลดสละเอลอลิงสอเสือหมายถึงอาการที่อ้างเอาเป็นอุบายส่วนเล็กน้อยที่ยกขึ้นเป็นข้ออ้างเลดดูบาด ที่ตกแห่งก้อนดินอันบูรุษผู้มีกำลังปานกลางขว้างไปแล้วด้วยหมายถึงทำด้วยสำเร็จด้วยโลกาวัชชะคือโทษทางโลกหรือมีโทษทางโลกอาบัตที่เป็นโทษทางโลกคือคนสามัญที่ไม่ใช่ภิกษุทำเข้า ก็เป็นความผิดความเสียหายเช่นโจรกรรมฆ่ามนุษย์ทุบตีกันด่ากันเป็นต้นแต่บางทีก็ว่าเป็นข้อเสียหายที่ชาวโลกเขาตีเตียนถือว่าไม่เหมาะสมกับสมณะหรือไม่ใช่กิจที่ควรของพระภิกษุ